เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบกว่าปีก่อนมันเป็นประสบการณ์แรกในชีวิตวัยเด็กขณะที่ตอนนั้นเราเป็นเด็กหญิงอายุสิเขวบน้องชายสิบขวบและน้องสาวเจ็ดขวบเรียกได้ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่จำได้ไม่เคยลืมเลยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคีสารเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีซึ่งทีแรกมีโครงการจะทาโรงแรมแต่ติดปัญหาบางอย่าง เลยเปลี่ยนมาทำเป็นโรงพยาบาลแทนตึกนี้มีประมาณ10ถึง11ชั้นแต่เปิดใช้ถึงแค่ชั้นสที่เหลือชั้นบนปิดตายหมดลิฟต์จะมีอยู่สองส่วนซึ่งอยู่ขนานกันอยู่ตรงกลางของตึกพอดีด้านหน้าจะาไว้ใช้สำหรับคนทั่วไปด้านหลังเอาไว้สำหรับขนส่งผู้ป่วยและศพโดยระหว่างลิฟต์ทั้งสองตัวนี้จะมีบันไดอยู่ตรงกลาง เราสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะขึ้นลงทางไหนมันเชื่อมถึงกันหมดประมาณ5้าถึงหกโมงเย็นตอนนั้นแม่ของเราจะไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลซึ่งวันนั้นเป็นวันหยุดก็เลยชวนเรากับน้องสาวไปด้วยโรงพยาบาลนี้เป็นตึกเดียวๆซึ่งมีบันไดหนีไฟอยู่ขนาบสองข้างของตึกพอไปถึงที่โรงพยาบาลเราก็เลือบไปเห็นบันไดหนีไฟ ที่อยู่ด้านข้างของตึกพอดีพอเห็นปุ๊บก็เกิดไอเดียนึกอยากสนุกขึ้นมาพวกเราสามคนเดินต่อไปยังห้องพักของผู้ป่วยแล้วเราก็เจอเพื่อนของแม่กับลูกชายของแกที่มาถึงก่อนแล้วแม่เราก็คุยกันตามประษาผู้ใหญ่ซึ่งมันนานมากๆพวกเราไม่มีอะไรทำก็เลยได้แต่นั่งรอเซงเงแล้วก็นึกถึงบันไดหนีไฟขึ้นมา เลแอบชวนน้องๆไปเล่นโจรจับผู้ร้ายกันน้องมันก็ตกลงอยากเล่นเราก็เลยบอกแม่ว่าจะลงไปเล่นที่ห้องเด็กเล่นข้างล่างแม่ก็ตกลงและบอกให้เราดูแลน้องๆด้วยเราก็รับปากพอออกมาจากห้องปุ๊บน้องชายมันก็ถามเราว่าจะไปเล่นที่ไหนจะเล่นยังไงเราเลยบอกไปว่าเล่นพระเอกวิ่งไล่จับโจร ก็ให้ขึ้นลิฟต์ไปแล้วค่อยวิ่งลงมาทางบันไดหนีไฟพวกเราก็เข้าลิฟต์ไประหว่างที่กําลังขึ้นลิฟต์ไปอยู่นั้นน้องมันก็ถามว่าจะเอาชั้นไหนไอเราก็คิดว่าอยากจะขึ้นไปสูงๆแล้ววิ่งลงมาแบบนี้จะได้เล่นนานๆเลยกดไปที่ชั้นเก้าบอกเลยว่าตอนที่กดไปเราไม่กลัวเลยสักนิดคิดแต่สนุกอย่างเดียว ระหว่างที่ลิฟ์ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปก็รู้สึกเฉยๆแต่พอลิฟ์เปิดออกมาเท่านั้นแหละคุณพระมันไม่ต่างจากในหนังสยองขวัญเลยทั้งบรรยากาศทั้งใยแมงมุมเส้นใหญ่ๆระโยงระยางเต็มไปหมดฝุ่นนิเครบจนพื้นเป็นสีดำไปทั่วรู้ได้เลยว่าที่นี่ไม่มีคนขึ้นมานานมากแล้วตอนนั้นเราก็เริ่มรู้สึกไม่ดี ด้วยความที่เราเป็นพี่ใหญ่ก็เลยต้องทำเป็นไม่กลัวแล้วก็พูดกับน้องไปว่าพี่ว่ามันสูงไปลองลงไปสักชั้นสองชั้นดูไหมพวกน้องๆยิ้มแล้วรีบให้ยักหน้ากันเลยเรากดลงลิฟต์มาที่ชั้นเจ็ดด้วยความหวังว่าบรรยากาศมันน่าจะดีกว่านี้ระหว่างที่ลิฟต์เลื่อนลงมาเราก็ภาวนาไปด้วยนิดๆขอให้ชั้นนี้ไม่เจอสภาพแบบชั้นก้า หอประตูเปิดออกเท่านั้นแหละแม่เจ้ามันแทบไม่ต่างกันเลยสักนิดเราหันไปมองหน้าน้องๆมันก็ถามเราด้วยสายตาว่าจะเอาอยัางไงเราเลยตัดสินใจว่าเอาวักไหนๆก็ได้ขึ้นมาแล้วลองเดินสำรวจดูสักหน่อยจะเป็นไรไปแล้วเราก็เดินนาน้องไปบรรยากาศของที่นี่มันวังเวงสุดๆ นี่ถ้าชั้นล่างไม่เปิดเป็นโรงพยาบาลอยู่นะมันก็คือตึกร้างชัดๆเราค่อยๆเดินก้าวทีหนึ่งเสียงรองเท้าก็ดังกึกก้องไปทั่วในระหว่างที่เดินสำรวจอยู่นั้นก็จะเห็นประตูบางห้องที่แง้มอยู่มองเข้าไปก็จะเห็นเตียงเก่าๆบางเตียงก็โลง่งบางเตียงก็มีผ้าปูวางผ้าตะไวりเห็นแล้วก็ขนลุกเมื่อเดินไปจนจะสุดทางแล้ว ก็คิดจะลองเดินไปอีกฝั่งหนึ่งดูน้องชายมันถามมุกไมคกว่าจะไปหรือเปล่าเราตอบยังชัดเจนและหนักแน่นว่าไม่ไปก็ได้มังคงจะเหมือนเหมือนกันตอนนั้นนิกเก็กสุดๆไปเลยแต่ใจจริงนี่อยากกลับลงไปจะแย่อยู่แล้วแล้วก็บอกกับน้องไปว่าลงไปเล่นตรงลานข้างล่างดีกว่ากลัวมันเสียงดังเดี๋ยวเขาจะว่าพอเดินกลับมาที่ลิฟ เราก็กดไปชั้นหนึ่งพอตอนลิฟต์ใกล้จะปิดสนิทเท่านั้นแหละแล้วลิฟต์ก็เปิดออกเหมือนเดิมมันคืออะไรตอนนี้ใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วเราไม่พูดอะไรวิ่งใส่เกียร์หมาไปที่บันไดหนีไฟอย่างไม่คิดชีวิตแล้วมีน้องชายวิ่งตามมาติดๆแต่ประตูมันล็อก เราดึงประตูอย่างบ้าคลั่งแต่แล้วมันก็เปิดไม่ออกน้องไม่เชื่อก็เข้ามาเขย่าประตูอย่างบ้าคลั่งไม่ต่างกันแต่เราคิดได้ว่ามันมีบันไดหนีไฟทางอยู่เราทั้งคู่วิ่งไปที่ประตูทางออกอีกฝั่งด้วยความหวังระหว่างที่เราวิ่งไปมันก็จะผ่านลิปตตัวเดิมซึ่งน้องสาวเราที่มาด้วยยังอยู่ในนั้นให้ตายเถอะ ลิฟต์ยังคงเปิดค้างอยู่เหมือนเดิมทั้งทั้งที่ถ้ามันขัดข้องเวลาจะปิดประตูแล้วมันเด้งกลับออกเนี่ยสักพักมันก็จะปิดเองแต่นี่มันนานเกินไปแล้วพอกว่าจะวิ่งไปสุดทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาเหมือนกันพอวิ่งไปถึงประตูอีกฝั่งด้วยความหวังเต็มเปี่ยมไม่นะมันล็อกเราบอกน้องชายให้วิ่งลงบันได แล้วก็วิ่งผ่านหน้าลิฟต์อีกทีหนึง่งเพราะบันไดอยู่หลังลิฟต์ซึ่งตอนวิ่งผ่านน้องสาวเรายังคงอยู่ในนั้นและลิฟต์ก็ยังคงเปิดอยู่เราเลยตะโกนบอกน้องว่าให้ลงบันไดพอมาถึงบันไดกี่ขั้นไม่รู้เรากระโดดข้ามทีเดียวเลยคิดเพียงแต่ว่าจะต้องออกไปจากที่ตรงนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดส่วนน้องชายนั้นมันเอาตูดถลาราวบันไดลงมาเลย ทำไปได้พอเรากับน้องชายวิ่งจากชั้นเจ็ดมายังชั้นสามแล้วก็โล่งใจมากคิดว่าคงรอดแล้วทีน่นี้ก็คิดถึงน้องสาวขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงมันร้องไห้พร้อมกับพูดว่ารอดด้วยเราก็เลยตะโกนขึ้นไปให้รีบลงมาเร็วๆพอมันลงมาถึงก็พากันมาสงบสติอารมณ์แล้วเราก็บอกกับน้องๆไปว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใคร ไม่งั้นจะไม่เล่นด้วยทุกคนรับปากแล้วก็กลับบ้านกันตามปกติและไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไปหนึ่งถึงสองปีพวกเราก็กลับมาคุยกันเราพูดไปขำไปกับน้องชายส่วนน้องสาวเราไม่ขำด้วยเพราะมันบอกว่ามันกลัวมากและ พ, พี่ทิ้งมันไปไอเราก็เลยบอกว่าพี่มาคิดคิดดูแล้ว มันไม่มีอะไรหลอกลิฟมันคงค้างเฉยๆเราน้ากลัวกันไปเองมากกว่าน้องสาวเราจึงตอบกลับมาว่าพี่รู้ได้ไงว่ามันไม่มีเราถามกลับไปมันจะมีอะไรหรือแกเห็นน้องสาวก็บอกลิฟมันไม่ได้ค้างแต่มันมีผู้ชายยืนดันลิฟอยู่แล้วเขาคนนั้นก็ยิ้มให้หนูด้วยหนูต้องเดินลอดแขนเขาออกมา เรากับน้องชายตกใจอุทานขึ้นพร้อมกันเชื่อสรุปคือมันใช่ไมวเนียสัมผัสสยอง